พระธรรมเทศนาแผ่นที่87ดลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าขายหนูตายได้เป็นเศรษฐี โอวันนี้คณะคณะของเจรั่นมาเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวนะพวกนักเลี้ยงลูกหลานกันกินเขาโบอีมบ่เนาะไปกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะเอาเต็มเทนั้นลูกหลานนะโบได้สื่อนะกว๋วยเตี๋ยวฟรีแน่นะพวกได้ต้องการกินจะได้กินเลยเอาละไปกว๋วยเตี๋ยวเจรั่นนำโสม คนมาเลี้ยงอยู่เรื่อยอยูเจจูเ จ, จ, เจลั่นสงเจนะ่ะมาเลี้ยงขุยเตียวขวยเตียววัดของเฮ้าเมื่อนี่เจลั่นเนะี่ยมาเลี้ยงลูกหลานนักเกลียนมาจากอุดรยี่สิบสองคนมาแต่เมื่อวานโคงจีหิวคอไปแห้งมั้งลูกหลานเอาให้อิ่มเลยนะอ <c oughs> แต่ลงตานี่ หลวงตาในฉันมือระเทอได้ลูกหลานนักเลี้ยง น, นะลูกหลานควรจะอดอดลองลองบองเอ๊ะมันหิวปนันไดเอกินเข่ามือละเทอเนี่ายต่อไปพ้ายภาคนานี่ยเข้าเป็นผูญั ย, ยเป็นตำรวจสอบตำรวจได้ไดเป็นนายตำรวจโอ้หิวนี่หิวนีวเน่เป็นอย่งสั่นตัวในสมัยเข้าไปอยู่วัดหลวงตาอินเนี่ยกินเข่ามือละเทอนโอ้หิวคักเลเอ้คนหิวนี่เป็นอย่งสี่เด้เนี่ย เา้าวจะได้เบิงพี่นองประช้ช่อนต่อไปพ้าภาคหนามาความหิวน่ะคือจังไรคันว่าเขาหิวครับผมหิวเข่าครับเออขเ้าก็ต้องขึ้นได้ออสมัยข่าเป็นเด็กหน่อยไปยูวัดหลวงตาอินกินเข่ามือเดียวหิวหิวเลยเป็นเลงสี่เด้เห็นข้าก็จะได้ควักกับเงินให้เขาเออเอาไปกินเข่าไปเา้าจะได้เห็นจิตเห็นใจเขาน่ะ ขันโคตบุกเคยหิวเสเลยเนี่ยมันบุกหูจักแต่หิวคือหยังน่ะพราะนั่นพวกขา้าวตรงหูจักว่าหิวเน่ยคือหยังเอ่อหิวโหยบมมีเขาสิกินั้นมันเป็นจังดาอให้พวกขา้าวให้หูจักนะให้ลองอดเปล่ะเห็นมาคูบามาอยู่วัดหลวงพ่อน่ะทั้งมดมีอยู่พระพระทั้งมดมีอยู่สามสิบเก้าองค์เนี่เหมือนเนี่พระสามสิบเก้าลูกนะลงมาสันยี่สิบเก้า งดสันซิปแต่เมื่อว่านหลวงพ่อก็นั่งรถพ่อฉันญะขันเลืหลวงพ่อก็นั่งรถไปเห็นคู่บาที่เพิลอดอาหารนะเออเปิลโบเรม่าฉันเนี่ยพิร์นยังปัดบัดกวาดในถนนเลยเห็นปัดตัดหัอแตกหือไหลของเราไปเออเพิร์นกันน่ยนะเออเพิรนก็นยังทํางานอีกอ่าใครเขาบอกทาคิด จ, จะวัดของวัดของเพิร์นนะแต่ว่า ผู้ใดก็ตามนะ <c oughs> ลูกหลานผู้ใดจะไปอจะไปเบิ่งนกเป็ดนะ่ะผาไหมผัวว่านะี่ยหลวงพ่อไปนกเป็ดบ่มีมาสาใหญนะ่เน่ะแต่กอนโอ้มากไหมแต่เมือ่อวานไปเบิ่งบ่เห็นนกเป็ดว่ะแต่ลงไปเห็นสาไตาสาไตาก็ประมาณสักลอยหรือสองลอยมั้งที่เห็นนะแต่สาเท่งเนี่ยบ่มีแปลก ผู้ชงใจคูบ่บาหม่จะไปเบิงคไผจะไปเบิงมันบ้องนี่ตัวเหียมันไม่เหียกันไม่เหียมลงไปมันก็อยู่บันดขึ้นกันได้เหียมไลาลาลกาดมั่นอ่ะมันก็เลยอยู่ลําบากขึ้นกันในหวัดของข้ามันมีเหี่ยได้ตัวเหียตัวงั้นตัวทองมันมีอยู่ป่วนเปี่ยนอยู่วันนี้เป็นวันที่สิบหก เมษาคมพุทธศักราช2559มือเช้ามืดวันนี้หลวงพ่อได้ทราบข่าวหลวงปู่ทองวัดอโศการามในมรณาภาพลงไปแล้วก็น่าเสียดายเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิท่าไปทีไรก็จะไปเห็นหลวงปู่แล้วก็ท่านเป็นองค์แสดงธรรมองค์หนึ่ง เป็นพระที่แสดงธรรมหน้าฟังองค์หนึ่งที่เป็นเจ้าอาวาสวัดอโศการามเป็นหลานของหลวงปู่ลีหลวงปู่ลีวัดอโศการามนะไม่ใช่หลวงนั่นหลวงปู่ลีธรรมทโรที่เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดอโศการามท่า น, นเป็นหลานท่านเป็นคนไปจากโนนะไปจากนีนะ่อำนาจเจริญอุบลนนะ่ะเป็นคนอุบล ต่นมรณภาพเมื่อเช้านี่ผพอได้ยินนวก็โอ้นี่แหละอันจังทุกขังอนัตตาครูบาอาจารย์เลียงลำดับลงมาเรื่อยๆบางองค์ก็รัดขั้นตอนบ้างรัดคิว่งั้นอ่ะไม่ไปตามคิวคือมาตามคิวน่ะคืออายุอายุเท่าไรก็เลียงกันมาแต่บางองค์อายุน้อยๆกับรัดคิวก่อนก็มี เมื่อเช้าเนี่ยก็ได้ทราบข่าวแต่หลวงพ่อก็ยังคิดเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไงแล้วก็วันที่ยี่สิบจะได้ลงไปอีกอย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานนี่นี่แหละเรื่องความตายไม่เลือกพระไม่เลือกโยมไม่เลือกใครใครอย่างที่หลวงพ่อได้พูด เมื่อวานวันก่อนวันนี้แนหะละหลวงพ่อขึ้นมายืนอยู่จุดนี้ามายืนอยู่จุดนเนี้ยอยู่อายุเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบกว่าเนะี่ยแล้วก็มองรอบๆด้านก็เหมือนใบไม้ร่วงหล่นเหลืองหล่นตามสภาพใบไม้ที่มันผล ด, ดอกออกผลมาแล้วจะไม่ให้มันหล่นเป็นไปไม่ได้แต่ละปีเนะี่ยมันต้องหล่น ปีหนึ่งก็ต้องหล่นหมดอายุของมันอันนี้ก็เหมือนกันคนเราเกิดมาแล้วก็จะไม่ให้ตายเลยเป็นไปไม่ได้พอถึงครบรอบมันก็ต้องโร่งร่นร่วงหล่นตามอายุสังขารหมดอายุมนุษยชาติของเราก็เหมือนกันเพราะนั้นดูๆแล้วถ้าผู้ใดใครก็าตามกระเดก กระโดดโลดเต้นกระเสือกกระสนไม่ได้คิดมุด่งมุม่งหวังอะไรเลยเไม่ได้มุ่งหาคุณงามความดีอะไรเลยมีแต่สนุกสนานเพิดเพลินเฮฮามีแต่หาความสุขทางโลกมีแต่ความสุขทางโลกมีแต่นะมีแต่เรื่องบาปอกุศลเข้าสู่จิตใจไม่น่าจะถูกต้อง เพราะนั้นเราต้องมองมองดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เราพูดหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อก็เคยย้ําไม่รู้กี่ครั้งเหมือนกันไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะเออพอเขาสนุกสนานขึ้นมาเอยตายนะตายนะเนเอยก็ไม่ใช่เออไม่ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันเพียงแต่ว่าให้นําเออมาณะภัยคือความตายเนะี่ะ มาว่าเก่าตักเตืนเอนอส ก, กิดให้กันฟังว่าอย่ารุ่มหลงมัวเมาลืมตัว เ, ออเกินไปนะออทำอะไรอย่าสุดโต่งเกินไปนะชีวิตของเราเนี่ยมันมีจุดจบนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนละเราจะต้องลำ่ลำล่ลายจากโลกนี้ไป แต่ก่อนที่เราจะล่ําลาจากโลกนี้ไปเราได้เราได้คิดไว้หรือหรื อ, อยังว่าเรามีสมบัติบุญกุศลติดจิตติดใจของเราเพียงพอหรื อ, อยังเราได้คิดไว้ไหมอันนี้เราเตือนชาวพุทธนะแต่เราไม่ได้เตือนชาวไม่เชื่อนะถ้าเราชาวที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดบาปปุญไม่มี อันนั้นเราไม่เตือน เ, ออเราไม่เตือนเราไม่บอกเราบอกแต่ชาวพุทธทับพระธรรมคําคสอนของพุทธะเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพุทธะเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในพระธรรมคําคสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อในผลแห่งการปฏิบัติของตนเองบางทีมันก็ลุ่มหลงไปบ้างอันนี้หลงพอเตือนจุดนี้ ยืนจุดที่ว่าตายแล้วเกิดนะนรกสวรรค์มีจริงนะบาปุลคุณโทษมีจริงนะดีชั่วมีจริงนะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะเมื่อเราทําชั่วกรรมชั่วจะติดตามตัวเองไปสู่ภพโลกไปที่ไหนไหนละติดจิตใจไปในจิตใจดวงนั้นไปถ้าว่าเราทํากรรมดีกรรมดีก็จะติดตัดติจิตจิตใจของเราไป ไม่มีที่สิ้นสุดอีกเหมือนกันหลวงพ่อเตือนกลุ่มนี้นะไม่ใช่เตือนทุกกลุ่มนะถ้าว่าใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากัน เ, เ, เราคงมันถึงเสียอกเสียใจแต่ที่พวกที่กลุ่มที่เราเชื่ออยู่แล้วนะแต่บางครั้งกิเลสไฟต่ำมันดึงลากลงไปมันดึงถลํมลงไปหลวงพ่อก็จะ ก, กิจจ ก, กิจเอ้ย อ, อย่าหลงเกินไปนะอย่าหลงลืมตนเองเกินไปนะ ตายนะประกอบคุณงามความดีให้มากไว้นะหลวงพ่อเตือนกลุ่มนี้นะแต่ถ้าว่ากลุ่มที่ท่านไม่ใส่ใจไม่เชื่อนั้น เ, เตือนอย่างไงมันก็ไม่ฟังอยู่แล้วเพ้อเพอยังปลามาดดูถูก ผ, ผู้บอกผู้กล่าวผู้เตือนเองว่าขี้ขาดขี้โกหก ที่ตงขี้ตอแหลสุดแท้เขาตกจะว่าไป เ, เพราะฉการแนวความคิดของมนุษย์ชาติน่ะมันนานาจิตตังนานาทัศนะจริงๆเราต้องรู้ในจุดนี้น ะ, เ, ะเราต้องรู้จุดนี้ถ้าเราเตือนไปแล้วเขาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรถ้าเตือนถ้าเตือนคนที่ฟังมันก็ดีนะก็มีประโยชน์นะ อ, อย่าง หมอโหนหมอดูหมอเดามือเอกในครั้งพระพระทุทธเจ้าพระุองค์ท่านเปรียบเทียบนะหมอโหนเข้ามาออกมาจากเวียงหวังมากันเลยมาเอ๊นั่นะหนูตัวนี้นะถ้าหนูตัวนี้ถ้าว่าใครนำหนูตัวนี้เออเอาไปขายนะคนนั้นจะเป็นเศรษฐีนะต่อไปภายภาคหน้าถ้ารู้จักวิธีการหนูตายเนะี่ หเห็นหนูตายตัวหนึ่งทีนี้ไอ้คนคนจนคนหนึ่งคนขายคนขายคนขายน้ําอ้อยอคนขายน้ำ อ, อ้อ ย, ำ อ, อยบีบอ้อยควันนั่อนั่งอยู่ใกล้ใอล้เอ๊ะน่าเชื่อถือว่ะ เ, เพราะว่าเขาเป็นโหนมาจากพระราชวังอีกต่างหากออกมาจากในวังเป็นโหนโหนใหญ่อีกต่างหาก เขาคงจะมองเห็นได้เขาคงจะเดือนดูดวงเดือนอะไรเรียบร้อยแล้วนะอคนคนนั้นก็เลยปล่อยวางไอ้ที่ขายน้ําอ้อยนะขายอ้อยก็ไปเอาหนูตะนะนะ่วนั้นอ่ะหยิบผางขึ้นมาแล้วก็หาใบใบใบไม้ห่อนะ่ะห่อไปก็ไปเราจะไปขายหนูตัวนี้ให้ใครบ่านะเออคิดเห็นเถอะพวก พวกเลี้ยงแมวใช่ไหมไปกันดิงไปหาพวกเลี้ยงแมวลุงแมวโอ้ยเนี่ยผมได้หนูมาเนี่ยซื้อไหมไอ้พวกนั้นมันก็เห็นหนูกับแมวมันก็มันเป็นอาหารของแมวอยู่แล้วใช่ไหมจะขายเท่าไหร่เหรอจะให้เท่าไหร่สิบสิบสตังค์นะพูดอย่างนั้นนะอ่ะสิบสตังคนะ์ ผลในส่วนก็เลยอเอา้าเจ๊ก็ซื้อให้แมวกินแต่แกได้เงินสิบตะตังท่านนี้นะเออไปซื้อเอ่อไปซื้ออ้อยมานะอา่อมาควันขายไะนะพอขายมันรวยขึ้นมาเนละเออผลในส่วก็ทําใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนเนี่นนะไปสั่งสินค้าต่างประเทศที่เขามารับเหมาทั้งหมดนะ่ ขายเข้ามาในประเทศเนะี่ยใหญ่ขึ้นมาจนได้เป็นเศรษฐนะีเนอ่ยพอเป็นเศรษฐีแล้วก็ไปแอบกราบโหนหมอโหนโหนใหญ่นะเลอท่านอาจารย์ครับผมปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปนั่นนะผมรวยแล้วครับผมเป็นเศรษฐีแล้วงั้นฮะผมพูดเมื่อไหร่ในะอาจารย์ออกมาจากเวียงวัง ท่านอาจารย์คุย ก, กันกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยถ้าผู้ใดเ็ตามนั้นถ้าเอาหนูตัวนี้ไปขายนะเป็นเอาไปขายนะแล้วก็ได้เงินมาเนะ่ะต่อไปเรื่อยๆเขาจะเป็นเศรษฐีคนนะั้นผมก็เลยปฏิบัติตามผมได้เป็นเศรษฐีแล้วครับผมขอมอบสมบัติที่ผมได้มาถาวายพระคุณท่านอาจารย์เอท่านอาจารย์โอ้อันนี้เป็นคนบุคคลที่มีหัว เป็นคนฉลาดเป็นคนชอบฟังใครพูดอะไรเข้ามาฟังฟังและสังเกตแล้วก็ปฏิบัติตูพอเห็นผลเขาปฏิบัติไปเรื่อยๆจนถึงได้เป็นเศรษฐีบุคคลชินิหารได้ยากเป็นบัณฑิตผลที่สุดไ อ, อ้โนคนนั้นน่ะก็ เ, เลยมอบลูกสาวให้เป็นลูกเขยเลย น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นชาดก ที่มาในพระไตรปิฎกนี่สรุปแล้วก็คือพวกเราเนี่ยถ้าจะเป็นผู้ใดก็ตามใครก็ตามฟังพอฟังแล้วให้สังเกตนะมันก็ไม่เห็นเสียหายที่ตรงไหนถ้าเราฟังแล้วก็ปฏิบัติตามถ้ามันเป็นมีเหตุมีผลเราก็ปฏิบัติตามเหตุผลนั้นๆที่เขาแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวแต่ในขนาดาปโปรหิตตายจาน โหนใหญ่ของพระเจ้าแผ่นดินพูดแบบลอยๆท่านนะ่ะชายทุกตะชายที่ไม่มีสมบัติเขายัางนำไปปฏิบัติก็จะจึงได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาได้เนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือผู้ที่ไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้เราต้องฟังเมื่อฟังแล้วก็มีเหตุผลไหมนำไปปฏิบัติในเมื่อนำไปปฏิบัติแล้ว มันงอกเลยขึ้นมาเนะี่ยเราก็ต้องเดินตามอือใจเป็นความจริงที่เขาแนะนำบอกกล่าวนะี่แหละเป็นสมบัติของใครนะไม่ใช่เป็นสมบัติของผู้บอกกล่าวนะเป็นสมบัติผู้ปฏิบัตินะอย่างหลวงพ่อบอกเหมือนกันนะลูกหลานทุกคนนะให้ปฏิบัติตนตั้งตนเป็นคนดีนะอย่าไปคล้องแวะกับยาเสพติดนะอย่าไปคล้องแวะกับอาบายามกุก เที่ยวกลางคืนเที่ยวดูการเล่นเล่ น, ลนการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทําการงานเอออันนี้ไม่ดีนะลูกหลานนะเออแล้วก็ให้เป็นคนที่รู้ก ร, กระตันญูกตเวทิตารู้จกักพระคุณพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วด้วยความยากลําบากเราอย่าทําให้ท่านหนักใจเออเขา้าไวเข้าใจไม่หนักใจเราจะไปทําความชั่ว ออย่าไปขี่มอเตอร์ไซค์อย่าไปอะไรที่มันทำให้พ่อแม่หนักใจเอเป็นทุกข์ใจกับเราพอท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วออย่าให้ท่านหนักใจกับเราตามไม่จริงเราต้องสนองท่านเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเมื่อท่านเท่าแก่ชราเราต้องเลี้ยงท่านตอบอแล้วก็ทำกิจธุระของท่าน ดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์หมอนดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุตรทุกคนบุตรธิดาทุกคนต้องใส่ใจ เ, เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วจะให้ท่านหนักใจกับเราสรุปแล้วเราเป็นคนดเีเป็นคนดีของประเทศชาติเป็นคนดีของตระกูล แล้วก็เมื่อเราทําดีแล้วเราจะภาคภูมิใจในตัวของเราและสมบัติของไข่ที่หลวงพ่อสอนไปเนะี่ยบอกกล่าวไปเนี่ยนะไม่ใช่หลวงพ่อไม่ได้อะไรจากรูปจากหลานจากไข่นะหลวงพ่อก็มีแต่แต่เท่าแก่ชลายชราโร่งโรยไปตามอายุสังขารตายไปพูดง่ายๆแต่พวกเรานําไปประพฤติปฏิบัติเออใช่ถ้าหว่าเราเป็นคนเลว ติดยาเสพติดสักเล่นการพนงพ น, นันถ้าเป็นคนเลวซะเราก็คงจะตั้งตัวตั้งตนตั้งตัวไม่ไ ด, ไได้แต่เราเป็นผู้ตั้งตัวได้มันขยันในการเรียนในการศึกษาในใยในการรู้เรียนรู้เราก็พยายามสอบแข่งขันเพราะเราโลกในโลกโลกนต้องแข่งขันต้องสู้ สู ở, ่ ian, ในทางที่ถูกต้องจะไปถอยทำคราวนี้ไม่ได้เอาคราวหน้า rattling, เรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่มันต้องสำเร็จได้สักวันหนึ่งข้างหน้าพอหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วนี่ยอิทธิบาทคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์คือเครื่องที่จะทำให้สำเร็จ สัสมสมส์ความมุ่งมา่นปราถนาเนี่ย ค, คืออิทธิบาทสี่ฉันทามีความพอใจในที่จะทําจุดนั้นฉันทาให้มีความพอใจไม่ใช่หล่อเลาะแแหล่ไปเอแล้วจะให้ผลจาเร็ตออกมาพลาดเกยมามันเป็นไปไม่ได้ไมันเป็นไปได้ยาก เ, าเว้นเทียตบุญเก่ามันหล่นทับจริงๆเองท้าว่าคนเราเนี่ยไม่ใส่ใจไม่สนใจเนี่ย มันยากเพราะฉันทะให้มีความพอใจใมีความตั้งใจฉันทะวิริยะเนี่ยเพียนประกอบพยายามเพียนประกอบออถ้าเราจะอยากจะสอบ เ, ออเป็นนายทหารเป็นนายร้อยหรือเป็นวิศวกรรมเป็นแพท ย, ย์เราก็ต้องเพียนเราต้องเรียนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์ตรงไหนที่เขาสอบรุ่นพี่เขาถามเขา ไยถามเขารุ่นพี่เขาทำยังไงเขาสอบยังไงครูบายการเขาให้แนวความรู้ของเราเราสอนเขาบอกยังไงเพียรพยายามตามที่เขาบอกเขากล่าวนะนะ ม, ม, มีความพยายามจิตตะเอาใจฝักไฟจิตตะคือมันเอาใจฝักไยไม่ลาถอยแค่แค่แคมองถึงจะจบถึงจะได้หรือไม่ได้ตก สอบข้าวนี้ไม่ไม่ไม่ผ่านแต่ข้าวหน้ามองเอกทำไมคราวที่แล้วมันมันอ่อนที่ตรงไหนนี่ไม่เอาใจฝักไฟอยู่ตลอดนะแล้วก็วิมังษาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่มันออกมาอย่างนี้ผลไม่ดีออกมาอย่างนี้เพราะอะไรเราขี้เกียจหรือว่าเราอ่านหนังสือน้อยไปหรือว่าเรามีอะไร จิตใจของเราก็ทบกระเทือนอะไรจิตใจของเราไม่เป็นสมาธิใช่ไหมในช่วงนั้นออที่เราสอบข้อสอบของเราอยู่นั้น น, นี่แหละอันนี้ก็คืออิทธิบาทเอเครื่องให้สําเร็จคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์ฉันทะวิริยะจิตตาวิมงังสาอันนี้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะลูกหลานทุกคนนะไม่วานลูกหลาน เด็กน้อยเด็กหนุ่มหรอกพระสงฆ์องค์เจ้าจทหายาดโยมทุกคนนะนะถ้าหากว่าอยู่ในอิทธิบาทสี่นี้แล้วนะที่เรามุ่ง ม, มา่ปรารถนานะไม่เหลือวิสัยอีกสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องสมหวังดังปรารถนาถ้าเรามีความพยายามอย่างอยู่ในอิทธิบาทอยู่นะพระในพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดี ให้หลัมลึกไว้อยู่เสมอว่าชีวิตของข้าเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวย้ําเตือนเบื้องต้นเป็นขนาดเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเถรระเนี่ยก็ยังปล่อยปะละเลยเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายต อ, ต, อต้องเผาไฟถูกเผาไฟปลูกเผาร่างกายเหมือนกันกับพวกเราท่านทั้งหลายไม่แพ้กันอพอเกิดมาแล้วก็เนยเหมือนกับใบไม้เน่ย ถึงจะเป็นใบใหญ่ใบเล็กใบขนาดไหนก็เถอะถึงคราวถึงครบครบรอบปีมันจะต้องร่นอต้องหล่นใบเหลืองอลามอย่างเดียวเดี๋ยวนี่เห็นไหมปัดกวาดจนไม่หวัดไม่ไหวแต่บางองค์ก็โมโหให้ใบไม้อีกต่างหากนะอทําไมมันหล่นมาอะไรมากมายนักหนาแท่ไม่ได้คิดว่าเนี่แหละคือสังขารคือของไม่เที่ยงเกิดมาเท่าไหร่ก็ร่องร่องรยไปทุกใบนั่นแนหะ เหมือนกับมนุษย์ของเรามนุษย์ของเราก็เหมือนกันะ เ, เกิดมาเกิดมาเถอะเกิดมาเท่าอะไรร่ำรยไปเท่านั้นตายเท่านั้นไม่มีใครที่จะอยู่ั่วฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่มีอเพราะนั้นใบไม้ก็เหมือนกันชีวิตของมนุษย์ชาติก็เหมือนกันถ้าเรานึกดูย้อนดูแล้วย้อนถอดได้อะไรหลงตาหลงพ่อได้อะไ ร, ไะไรคือเราได้เห็นอเนจังคือของไม่เที่ยง ว่าโลกกูเนี้ยมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ไม่พึงปรารถนาไม่น่าอยู่นะมันมีธรรมะเหนือกว่านั้นไปเองเลยศึกษาเดเนี่ยเองธรรมะเหนือกว่านั้นเข้าไปเนะี่ยคืออะไรเหมือนกับเราเรียนจบป .4 แล้วยังมีเหนือกว่านั้นอีกนะมีอีกแล้วมีอะไรม .1 อ่าม .1 ม, 1, ม .2 เอเรียนไปเรื่อยจนม .6 ยังมีอีกนะเอ อ, ะอก็ยังบอกอีกมีอะไรอะไรอีก เราก็ปริยาตรีปริยาตีมีกี่แขนงอีกเนี่ย <c oughs> นั่นแหะคาว่ามีอีกน ะ, นะใครใหเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วยังมีอีกน ะ, นะให้พวกเราศึกษาเถอผู้ศึกษาเข้าไปในใจของเราใจของเราก็เห็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราใจของเราแบ เ, เราจะมายึดมาถือนในไตร ล, ลักษณ์อย่างนน่มันจะหาความสุขได้ที่ไหน จากนั้นใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายใคลออเบื่อหน่ายใครจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจนถึงเป็นพระละหันแล้วจบแล้วทนี่ไอมถึงพระละหันแล้วจบแปลว่าจบหลักสูตรแปลว่าอะเสขนะ อ, อะเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วนะแต่พวกเราเนี่ยอยู่ในเสขะผู้ยังต้องศึกษาอยู่ อ่ะเสขาผู้ไม่ต้องศึกษาคือพระหันมีจำพวกเดียวในโลกเนะนอกจากนั้นมาต้องได้ศึกษาทั้งหมดจะปริญญาเอกขีขะแนนก็เถอะมันยังไม่จบอ่ะขีะแนนต่อขีขะแนแนมันยังไม่จบมันอีกคะแนนหนึ่งอีกแต่ว่าผู้ที่ได้เป็นพระหันแปลว่าจบท่านเหรียนจบที่ใจของท่านไม่ใช่จบที่อื่นนะ ถึงจะเรียนไปมากขนาดไหนเถอะมันก็นอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นั่นแหะไม่เหนือนอกเหนือจากนี้ถึงจะเรียนรู้ขนาดไหนก็รู้ไปเถอะอยู่ในกรอบของอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละพอท่านรู้ต้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปออกไปจากใจทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาันท่านรู้ต้นนี้เท่านั้นนะเท่านั้นเลยเหมือนกับเคือเขาเทาวันเคือเขาตัวนี้นะ่ะ มันจะยืดยาวมุงไปเออเป็นกิโลกิโลก็เถอะ อ, อแต่มันอยู่หนึ่งอยู่โคนมันอยู่ในอยู่ในดินนะโคนเดียวเท่นั้นแนะหละลากแก้มมันอยู่ในนี้่แหละนะออพอท่านถอนพวดขึ้นมาเลยเออใบเล็กใบน้อยเกลือเขาเทาวันแตนะ่นันเมืเอ่อจะยาวขนาดไหนก็ยาวไปเถอนะมันตายทั้งหมดเนะพราะอะไรเพราะท่านดึง รากขึ้นมาจากแผ่นดินจุดนั้นจุดเดียวเนะี่ยนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดถ้าท่านรู้ใจของท่านแล้วนะ่ะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะี่ยสยกหมดเลยจบว่าจบที่ใจว่าเป็นอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วนะนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพุทธนะนัลูกหลานคณะกนัตตาญาโจรลูกหลานน ะ, ะนจจ ม, นนะมันรวมกันมาหาที่ใจทั้งหมดนะ ออนล่ะพอในที่นี้นะ